เราฝืนทำจิดทำใจของตนให้สงบเมื่ยสงบแล้วจะต้องมีความสบายเกิดขึ้นมีติตมีความสุขเกีย่ยงง่ายไม่ว่าตั้งแต่จิตสงบยังบ้านเมืองสงบเราก็อยู่เย็นเป็นสุขไปมาหาสู่สถานที่ใดมันมีเรียนมีภัยสะดวกสบายสอบครัวสงบเราก็สบาย มันมีเรื่องวุ่นาวายก่อกวนจิตใจกายส ง, งบแล้วก็สบายอีกเหมือนกันแต่ากายเกิดโรคไข้ไข้เจ็บมันก็เลือร้อนลำบากความส ง, งบจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่พวกเราท่านจะฝึกให้ส ง, งบให้เป็นให้เห็นในตัวของเราคนอื่นเขาจะเชื่อ หรือไม่เชื่อจะเป็นหรือไม่เป็นเป็นเรื่องของเขาแต่เราขอให้ทำให้เป็นสมบัติของเราถ้าเราได้เป็นสมบัติของเราแล้วคนอื่นเขาจะสรรเสริญลินินชาเป็นลมปากของเขาแต่ตัวของเราเป็นอย่างไรเข้าใจอยู่ในตัวฉะนั้นขอเชิญทุกท่านพากันต่างหน้าต่างตาฝึกหัดอบรมให้จิตใจของตนเข้าไป สู่ความสงบแล้วทีนี้ที่จะน่ะแก้ไขวิเลดตัญหาภายในใจให้หลุดล่วงออกไปก็จะมีความสุขความเจริญตามอำนาจที่เราแก้ไขออกไปได้ถ้าหากเราไม่ทำจะปล่อยเอาไว้วิเลดตัญหาภายในใจ ใบแก่ไปเท่าไปมันจะหมดไปอย่าไปคิดไปนึกถ้าหากมันหมดไปเองโดยไม่ได้จะทําบํำเทนทุกรายไปก็จะมีความสุขกายสุขใจเมื่ออายุแก่เข้ามานี่เป็นอย่างนั้นกิเลสตัณหาแพร่เข้าขนาดไหนแก่ขนาดไหนอํานาจของกิเลสตัณหายังมีอยู่ในจิตในใจ พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พวกเราทุกคนฝึกฝนอบรมความแแงที่พระพุทธเจ้าสรรไลเสริญคือแกที่มีจิตมีใจเป็นอัดเป็นรำส่วนแกเรื่องร้องกายท่านไม่ถือว่าแกงอย่างตามเคยไปถามภับมหากระจายนะต่อตามน้อายุแกเท่าในตกในวัยปัจจิมวัย ควรจะจกราบจะไหวจะลุกขึ้นยืนต้อนรับพ้ะคุณจากกระจย า, า, ายนะ์ก็ไม่กราบไม่ไหวไม่ต้อนรับไม่เชิญให้หนังน่งในพิธีนั่งใช่ไหมถ้ากระจยายยนต์ยนต์บอกว่าใช่ความแฉี่พระพุทธเจ้าตัดไว้ไม่ได้แฉ่่โดยเรื่องเหือเห่องของตายคนใดยังเสพตามยังยินดีในกามกามไม่พิจดยังกัดกินใจ ยังเดือดรอ้อนกระวนกระวายเพราะกามเผาใจคนนั้นถึงอายุจะแก่เท่าขนาดไหนเขาก็ยังเรียกว่าเด็กอยู่แต่คนใดที่มีใจพ้นใจจัเรื่องของกามกามมริษตกในตัดกินใจในกระวนกระ ว, ระวายเพราะตามเผ า, า, า, าใจคนนั้นแหละถึงจะเป็นเด็กเล็กน้อยอยู่ก่อตามท่านก็เรียกว่าคนแก่ นี่ทางศาสนาชืวยแก่แตกกันกับเรื่องท้องโลกคือแก่เรื่องท้องจิตท้องใจที่ไม่ไก้เกียวข้องกับเรื่องท้องตามอารมณ์ต่างๆคนไปจากการรมหมดความกระวนกระวายหมดความกันหนัดยินดีในเรื่องท้องโลกเรื่องท้องตามคนนั้นแหละเป็นคนแก่ถึงจะเป็นเด็กเล็กเด็กแดงอยู่กอดตาม าหากจิตใจเป็นไปได้อย่างนั้นจะมีความสุขความสบายาเพราะเลื่อทของโลกไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์วุ่นวายเดือดร้อนเพราะเรื่องกามเขาใจกามม่รีตกกับกินใจมีผู้ที่ค้นไปฉันจึงเหงนว่ามีเป็นคนแจ่มีความสุขที่แน่นอนเราทั้งหลายก็ ม, มีด้วยกันทั้งนั้น ไม่ใช่ว่านีตั้งแต่สร้างพุทธการสมัยปัจจุบันหรือเราทุกวันนี้มันมีอยู่เรื่องกิลเลสมันมีอยู่มรรคผลก็ต้องมีาหากเราบระพฤิดีปฏิบัติชอบจะต้องเห็นจะต้องเป็นขึ้นแต่เรายังสงสยัยเดี๋ยวกับผลเรารลวงรับดับหายไปแล้วพระพุทธเจ้ากรณีทานไปแล้วสาวะอรหารอาหารไม่มีในปัจจุบันทุกวันนี้ ถ้าเราสงสัยอย่างนั้นก็ไม่มีกำลังใจจะประพฤติปฏิบัติอาจทำให้ได้ให้ถึงเพราะเราสงสัยลังเลก็เกิดแฉะเจ็บตายกิเลสตัณหามาณทิพฐิยังมีอยู่ในสถานที่ใดการแก้ไขดับกิเลสตัณหาผูกพยายามจะทำบำเพ็ญยังมีอยู่มักผลก็ยังมีอยู่เพราะ พูดทีดท่านได้ท่านเห็นท่านดีท่านเด่นท่านไม่ได้อวดคนอื่นไม่ได้อวดว่าท่านเป็นอย่างนั้นอวดว่าเป็นอย่างนี้และเมื่อท่านได้ท่านเป็นท่านเห็นท่านรู้สิ่งที่จะบอกด้วยตาเนื้อออกมาก็ไม่มีอีกเหมือนกันท่านก็เป็นคนเหมือนผู้ทุกชนธรรมดาแต่จิตใจของท่านอยู่ลึกเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ลายเสือลายนกเราดูได้เ เสี้ยวงเสี้ยดาวพอลายมันอยู่นอกลายพระลายธรรมมันอยู่ในมองม่เห็นในตานี่เราอยากรู้อยากดูก่ออาศัยเราฝึกจิตรวมใจเป็นไปแล้วเข้าศิษฐานธรรมะจึงจะรู้ว่าท่านดีท่านเดนท่านเป็ น, น, ปนอย่างนั้นอย่างนี้พอเรามีโต๊ะประลอดคือธรรมะในตัวพวกเราไปวัดถ้ า, าเราจะเชื่อตามลอมปาก รู้ดูกิริยามารยาทภายนอกบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกได้เป็นเรื่องสุม่มเดาเอาแน่ไม่ได้เพราะฉันกล่าวไว้ท่าในทำนี้ในของทูตได้จา้าเหมือนกันกับมะม่วงสีเหลวมะม่วงบางอย่างเวลาสุกสีอกอนสุกมะม่วงบางอย่างสุกแต่สีบดด็ดมะม่วงบางอย่างสีสุกแต่ข้างในบดดิบ มะม่วงบางอย่างผิวเด็ดแต่ข้างในมันสุกหมายถึงว่าจิตญามารยาตของพระอระหันตอรหันต์บางท่านบางองค์สวยงามหน้าทอรถเดือมใสน่ายินดีพอใจได้จิตใจของท่านก่ขอฝึกผลตนของท่านจนเป็นพระอรหันตอรหันต์แบบนั้นดูง่ายเหมือนมะม่วงข้างในก็สุกผิวก็สุกที่ th th ทเหลืองอร่ามเราดูได้แต่มะม่วงลูกนี้สุก แต่มะม่วงบางอย่างเสีวข้างนอกเหลืองเหมือนกันกับมะม่วงสุกแต่ข้างในยังดิบอยู่ยังมีรสเลี้ยวรสปาดอยู่เพราะยังจะเสี้วสุกแต่ข้างในมันดิบหมายถึงว่าพระอารหันต์อรหันต์บางท่านบางองค์มีจิิยาณาะไย่ยากภายนอกดีหน้าทคหน้าเหลื่อมใสคนทั่วไป เข้าใจว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์อรหันต์แต่ท่านองค์นั้นยังเป็นปู่ที่ชนคนหนาอยู่ปฏิทานโวหารเทวายไว้เพย์ชายนอกดีเด่นแต่เรื่องจะตารแก้ไขกิเลสตัญหาภายในของท่านยังไม่เพียงพอยังไม่มีพอที่จะแก้ไขจิตใจของตนให้พ้นไปได้จึงเปรียบ ก, กันกับว่ากมะม่วงผิวสุกแต่ทางในมันดิบมะม่วงผิวดิบ แต่ทางในมันสุกจิตยามารยาทภายนอกเราดูแลว้วกนนรรเ็เหมือนกันกับผู้ต้ชนคนหนาธรรมดาใจออัดคมหรือจิตใจของท่านภายในดีเด่นเหมือนกันกับว่ามะม่วงเปลือกภายนอกมันเขี้ยวสดอยู่แต่ทางในมันเหลืองมันแดงรสหวานมีไหมถึงเหลือกมะม่วงแต่มะม่วงดิบเควดิบมันก็ดูง่าย ทั้งหิวเปนกอดิบทั้งเมื่อข้างในเป็นกอดิบนี่หมายถึงปูุ้ชนธรรมดาจิตใจก็ไม่ได้ฝึกหัดอัดทําอะไรแล้วจิริยามยารตญาติทายนอกก็เป็นเสียงบอกให้นี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจึงเกิดสงสัยภายในใจว่าจะมีที่ไหนพระอารหันตอรหันทุกวันนี้ก็เพราะเราเองยังไม่เชื่อ ทำคำสั่งสอนของผู้ชายเจ้ายังไม่ฝึกตนคล่องตนให้เป็นไปหากเราฝึกตนคล่องตนให้เป็นไปจิตใจได้รับความสงบเพียงการสมาธิเท่านั้นเราก็จะเชื่อมั่นว่าพระอารหันตอรหันต์มีเพราะเราฝึกเพียงขนาดนี้ก็ยังเห็นอานิสงส์ความสุขความสบายขนาดนี้ท่านผู้ที่ตั้งหน้าตัางา้งตาฝึกรักษาจริงจังท่านจะไม่เห็นเป็นจริงอย่างไร ความเชื่อมั่นในใจจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรอยากอยากจะทาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพราะเห็นความสุขกว่าความสุขในอดในธรรมดีเด่นยิ่งกว่าความสุขส่วนอื่นภายนอกต้องได้ดื่มได้เห็นได้ริมรถจากการปฏิบัติของตนก่อนจึงจะเชื่อมัน่นถ้าเชื่อมัน่นอย่างนั้น ทำเตียนทุกวันทุกเวลาทุกอียาบทจะต้องมีอัดมีทำประจําอยู่เสมอไปนี่แต่อยากแก้ไขนี่แต่อยากกดเรื่องเรื่องกิเลสตัญหาออกจากใจไม่มีคิดนี่ยอื่นมุมอื่นเป็นงานสําคัญยิ่งกว่าการแก้กิเลสตัญหามีผูท้ที่เห็นอัดเห็นทำทันเป็นอย่างนั้นพวกเราเราทานฝี่ฝึกหัดอบรมใหม่ไม่เป็นอย่างนั้น กำหนดจิตกำหนดใจให้เข้าไปหาอัดหาทำมันไม่อยากเข้าไปพอปล่อยเท่านั้นไปวันอย่างทาคิดอะไรคิดได้ปรุงได้แต่จิตจะสงบจะสบายไม่มีคิดแล้วคิดอีกอยู่นั้นน่ะมันไม่มีวันสงบมันไม่มีวันสบายอาจึงสอนพวกเราให้ฝึกอัดดัดแปลนเรื่องจิตใจให้เข้าหาความสงบสงัด รือการตั้งจิตภาวนาทำจริงทำจังกำจัดสัญญาอารมณ์ที่เคยมายอยู่ยุจิตใจให้ออกไปบังคับจิตใจให้อยู่ในขอบเขตอัดทมหรือทำบริกรรมของตนเมื่อเราบังคับจิตใจและไม่ให้ อารมณ์ส่วนชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจจิตใจก็จะมีวันมีเวลาสงบระงับได้การฝึกใจต่องฝึกวิธีนี้ในต่องฝึกวิทีอื่นจะกำหนดกายกว่าได้กำหนดเวทนาจนะิตธรรมกว่าได้จะกำหนดอะไรขอให้เอาจริงบอกว่าเราไม่จริงเท่านี้เท้าหน่าก็เราคนเต่านี่นหละจะเลี้ยวไหลไปอีก เวลานี้แหลเป็นเวลาที่เราจะกำหนดจิตเวลานี้แหละเวลาที่เราจะให้จิตของเราลงรวมแล้วเกิดอาจเกิดทำได้แล้วหน้าที่ของเราบริกรรมกับบริกรรมในอย่างนั้นระ ว, วังมาเห็สัญญาอารมณ์้ามาเกี่ยวข้องกับจิตกับใจให้ใจอยู่กับํำบริกรรมให้ํำบริกรรมอยู่กับใจแล้วจิตจะลงรวมได้มีวนันภายนอกจะไม่เข้ามา เกี่ยวข้องกับกจิตสัตว์ใจเมื่อทําได้อย่างนั้นจิตใจจะลงรวมจิตใจจะได้รับความรู้ความสบายความสว่างความสวยัยจิตใจจะเบาจะเชินในธรรมดังนั้นการอาธิบายพม่วันนี้ขอพวกขันทังหลายจงนําไปทินิ้ที่เจรนาหากเห็นว่าพอเป็นทางจะเปฏิบัติได้ขอเชิญพวกขันทังหลาย จงนำไปประพฤ ต, ติกรรมตามต่อจากนั้นเรจะมีความสุขความเจริญในอาวาส า, านการอธิบายธรรมะนี้คนจุด เ, เคยประพฤติกรรมเราจะทราบเรื่องของธรรมะามาธรรมะกานปฏิบัติคือให้กำหนดจิตนิสิัยนาตายใจของตน เรจ่องที่เจนาเรื่องของกายของใจเรื่องกายใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่าส่วนอื่นถ้ารมีกามีใจหลกของมีความหมายอะไรคันเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจเพราะตัวโอเคสุขทุกข์พรดินฟ้าอากาศสุขทุกข์เพรเรื่องอื่นดังนั้นการทิจเจนาเรื่องกายใจ สิ่งขณะที่ของผู้ปฏิบัติจะกำหนดที่จะได้งานจิตที่ลุ่มหลงโดยส่วนใหญ่ตัหลงตายทั้งตัวจิตคอจะทั่วหลงลงอีกท้ายนอกถ้าหากนี่เรื่องตายทั้งตัวขนาดชัดเจนเรื่องท้ายนอกออกไปก็เหมือุมหลงไปอีกเหตุใดที่ปวดอย่างนั้น ก็สำคัญว่าตายนี้เป็นของของเราตายนี้เป็นของสวยสดงดงามตายนี้เป็นของมั่นคงมีความจิตจิดคลองในจิตในใจเป็นอย่างนี้เมือ่อพิจรารณาแยกแยะต่อไปยิงจังเมื่อาตายแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นของสวยสดงดงามไม่มีอะไรที่จะคงทนกัท้าวรตายของ เราขันเป็นอย่างนั้นตองปฏิบันรักษาอยู่ทุกวันทุกเวลากายช่วยแจะตั้งอยู่ได้มีความสะดวกสบายแต่ถึงอย่างนั้นโลกไทยที่จรมาก า, ายก็ยังมีอีกเหืือพิจารณากายแยบคลายเท่าไรใจจะมีความผ่องใสใจจะมีความเบาสบายเพราะเหงน่กายเป็นของ สีใหมอย่างเย็นเป็นของสีใหม่ขาววอนเป็นของสีใหม่สวยงามความกำนัดยินดีความจะมวเงินกายให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้หรือความจะเสียใจเพราะกายแตกสลาย ย, าย่อมไม่มีถ้าพิจารณาเกี่ยถึงเรื่อนะงความจริงเป็นอย่างนี้นเผอปฏิบัติก็คูอปฏิบัติ ถ้าเห็นตามเป็นจริงเรื่องตายเรื่องจิตคนจิตจิตคล้คองจิตคล้คองอยู่ส่วนตายส่วนจิตในเร่จิตคล้องส่วนอื่นเรื่องตายเป็นของหยาบจิตเรื่องต้นกจ็จะต้องพิจารณาของหยาบเยียก่อนค่อยเข้าไปหาเรื่องของละเอียดได้เหมือนกันกับเราศึกษารเราเรียนจะต้องเรียนมาจากการผสมเยอะก่อนจึงจะไป ขั้นมัธยมหรืออุดมมีการพิจเจณาทางภาษาาสนาแผ่นสิศน์ใส่ทิจารณาเรื่องทของตายเรื่องของสติปัฏฐานมีตายายในปัจจนาสติปัฏฐานกำหนดตายพวกไปทั้งของคนอื่นและของตนเองใส่ยิ้ตามสถาบ็นจริงว่าสับแต่ว่าตายในใส่ยิ้มในใส่ตายในใส่สับในใส่บุคคล แต่ตัวใส่ตนใส่เราใส่เขาถ้าตัวกายแ่านั้นการพิจารณาอย่างนี้จะต้องพิจารณาแยกแยะแออกดูว่าอะไรเป็นอะไรสมมติมันหมายเนี่ยเราพิจารณาเป็นส่วนๆออกไปเรื่องใจพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแต่จริงแถวนั้นมันในใ่ภาดในใจขันในใจ คนไม่เคยสัตเป็นของธรรมชาติอันหนึ่งถึงจะมุดว่าหญิงว่าชายว่าถาดว่าขันธรรมชาติเหล่านั้นรรเขาไมเคยหญิงหวงเขาไม่เคยแขย่งใดกับใครทั้งหมดเกิดมาแล้วเราะมีนาะชี่จะเปลี่ยนแปลงแปลปวนไปอย่างไรเขาก็เป็นไปตามสถาของเขาถึงวันที่จะแตกสลายต่อไปตามเรืองของเขาอีกเหมือนกัน แต่มีใครที่มีอำน า, าจบาดเนะบอกเขาได้กว่าเขาฟังเขาจะเช็นไปตามเรื่องธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้นถึจงจิตใจผู้ดีวิเศษเด่ดนขนาดไหนอย่างผู้ใธ้จ่าก็บังคับไม่ได้เรื่องต้องตายจะต้องมีการแตกสลายผุพังไปตามเรื่องขาดเรื่องขันแต่ที่ให้ที่จะได้นาก็บเชื่อว่าใจจิตเคยยึดมั่นรือมั่นใจจีเคย หุ่มหลงในตายนั้นหมวดพิจารณาหยับค า, า, ายลงไปเข้าใจตาม เ, จจแบบาเป็นจริงจะปล่อยวางเรื่องของตายเห็นว่าตายตัแเ่็บาตายแถานั้นในใ่ตัดในใจบุคควงเจ็บตัวใจ่บตนใจ็เราเจ่เขาตายจริงๆก็ไม่มีทุกข์เหตุใดตายจึงไม่มีทุกข์เขราะตายเป็นทํมมนทามธาตุอันหนึ่งสิ่งเกิดขึ้นมาแล้ว จะต้องแปลกวนไปตามธรรมชาติของเขากายของพวกเราท่านจี่เป็นทุกข์กวเพราะจิตจี่มีอยู่รับรู้เรื่องต่างๆกายจึงเกิดความเป็นทุกข์ขึ้นสภาพของกายจริงจังไม่ว่าผมขนเล็กฟันหรืออะไรทุกอย่างเราตัดออกไปแล้วขึ่นออกไปภายลกไม่มีผู้ร้อมอะไร จะเผาไปหรือฝังดินสิ่งโจมลงน้ำมันก็ไม่ใชยบนเคยเป็นฟุกอยู่อย่างท้องกายจริงๆเป็นอย่างนั้นอยู่ไปจิตไต้ข่องไปหลงก็อพอยึดว่าตายเป็นเราเราเป็นตายถ้าทิ่เรณาแยบคายความงุ่มหลงส่วนนั้นจะถอดถอนออกจาก จ, ากจากิกใจจะเห็นไปจากว่าธาตุขันเป็นอันหนึ่งจิตใจ เป็นอันหนึ่งซหนึ่งใส่อันเดียวกันเป็นคนละอันละอย่างทากิตที่เห็นเป็นจริงอย่างนั้นความทุกข์ที่จะบีบท่านบานรอนของของจิตจะไม่มีมีความสุขจนถี่จ น, นฐานของจิตการฝึกอบรมการภาวนาสิ่งที่เจรณาแบบนี้ทางพระพุทธศาสนาทางกาํามรา สอนว่าเป็นมีปัฒนาปัญญาพิจาจณาเพื่อถอดถอนี่เหลอตันหาส่ยุสุดแกปัญญาจะเกิดขึ้นได้สว่างสวผู้เห็นตามเป็นจีวก็จะต้องอาศัยเรื่องของสมาธิมา ก, ก่อนแต่นั้นผูอบรมมังควรจะฝึกตนให้มีสมาธิของจิตจิตที่จะเป็นสมาธิได้ก็จะต้องบังคับ บรรชาหาหลัใหกในจิตเกาะจิตยึดทางจึงสอนในเหลื่องบริกรรมในการกำหนดลมคือเพื่อเป็นที่เกาะจิตยึดของจิตบริกรรมนั้นต่อไม้หรือผูกใจให้เชื่อมัน่นและทำบริกรรมของเราทำนี้จะเป็นเครื่อง ทำรักจิตใจให้บริสุทธิ์จะทําให้จิตใจของเราได้รับความสงบสุขผูกจิตมั่นอย่างนั้นการทำบริกรรมคำนี้แหละจะเป็นสิทธาอาศัยจะเป็นฐานะนําเราไปสู่ความสงบสุขได้เมื่บริกรรมตั้งใจบริกรรมจริงจัง ในจิตสัมผัสในธรรมบริกรรมทุกระยะทุกเวลาอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจากจิตเองหรือจอรมาจากที่อื่นปัดทิ้ในจิตตามบริกรรมอยู่นั้นจนจิตกับบริกรรมเป็นอันเดียวกันแล้ว ร, รวมรวมมีความสุขความสบายเกิดขึ้นเป็นไณิสาหรืออุปจาระอัปปนาแล้วแต่เรื่องจิตจะเป็นไป พอถึงขั้นถึงเวลาถึงระยะของมันจิตนั้นจะเป็นเองทีง่แต่สงบแต่รับความสุขแต่ทํบาบริกรรมนั้นจะต้องเอาใจใส่หมั่นคงจริงจังจนจิตรวมลบเป็นหนึ่งเลือกคิดอะไรเลได้ตกล่อยไปทาบริกรรมจิตคือโลรวมได้อย่างนั้ น, เ, นเป็นพื้นฐานของการ ส, สทิที่จะรณาต่อไปสะดวกสบายในการพิจารณาเพราะจิตหยุดจิตนิ่งแต่จรณาอะไรก็เห็นตามเป็นจริงเหมือนเรานั่งดูอยู่กับที่อะไรเกิดขึ้นมีมาเราจะเห็นโดยตาของเราถ้าเราวิ่งหรือนั่งรถนั่งถึงยินไปยิ่งเท่าไรจิงจี่อยู่ ข้างๆตัวเรามองมาเห็นทั่วเพราะวิ่งจิตที่ในนิ่งก็เหมือนกันจิตสูงสู่ไปจะพิจารณาอะไรในแจมทท่มใสชัดเจนพระพุทธเจ้าจึงสอนแต่ร ว, วรมจิตใจพบตอนใออนนิ่งเช้าก่อนเมื่อจิตนิ่งได้มีสมาธิภายในใจแล้วจะพิจารณาอุบายปัญญาอย่างที่อธิบายมาพิจารณากายเวทานาหรือจิตธรรม ต่เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่นั้นั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งจีรู้จีเห็นจีทางที่เราาจรนาแจกใช้ใจจีติดข้อไม่อย่างนั้นใจของพวกเราท่านจะให้มันเก็นไปเองยินพอตัวเองบัวนายชายกำหนัดเองเป็นไปไหนได้ ในเหมือนผลไม้ต่างๆพอถึงเวลามันตกฝ่อตกเบาออกมาออกหูออกผลมันก็คอยแก่ไปเองปุกไปเองหล่นลงเองในต้องไปบ่มในต้องไปทําอะไรแต่นี่ในเตันอย่างนั้นเรื่องของจิตใจจะทําำผลงานความดีนี้จะทําความชั่วอะไรจิตใจจะไม่ไดปดีไปชัวอย่างนี้ ถหาไม่ ส, ส he, ุกอบรมเห็นเจนเห็เห็นสิ่งจากตัวของตัวเดียดนั้นพระูุทธเจ้าสร้างบารมีมาเป็นเวลานับกับนับกันไม่ได้ขอเป็นไปในความหลุดค้นไม่ได้แต่อันนี้สงการทําความดีจะส่งผลให้เกิมีความสุขพอสมควรตามฐานหน้าหน้าที่ที่ตนต่างเอาไว้จะสร้างทานบารมีเกิดในพบใดขาดใด สมบัตรทัศการฐานต่างๆจะร่มบุญพูนสุขเพราะอำนาจบุกเพกระตับปัญญาตาคือบุญกุศลทอนหลังสนับสนุนให้เราจะค่าถายหรือทำอะไรประสบจังหวัดหาง่ดมบัตรทัศกาสถานกุศลกุศลเก่าก่อนสนับสนุนให้ เป็นไปเถื่ยความกราบรื่นเป็นไปเถื่ยความสมบูรณ์ถ้าหากบุญส่วนผลหลังในสนับสรุนให้มุ่งมั่นอยากได้สมบัตรท้าสถานเขาทางานอะไรก็วิ่งเต็มไปทําตามเขาแต่สมบัติที่ได้มาก็สิดนหายไปมีทางที่จะรู้อะไรหรือเจอโรคภัยต่างๆทํางานไม่ได้หรือคือคนไม่มีบุญบุส่วนผลนหลัง จะทำอะไรก็เป็นในศปจังหวะในดีใน เ, เหนเน่นเนื้อเขาเพราะบุญสุศนเก่าก่อนในระนับสนุนหนี่พูดถึงเรื่องของอานิสงส์การกระทำมีความสุขทางด้านกายด้านใจนิดหน่อยใจจะละสอนหน่วยก่เลสปัญหานั้นจะต้องอาศัยการฝึกอบรมด้านจิตใจจริงจังเป็นนั้น แต่เขก็ม่แต่เขาไม่จะจุดจ้ำ้วยเามจ้ำด้วยสายอันมันเป็นคนที่ไม่ไ้ทำหจ้ันากาสโบองหัานัสองหวไมบาเกต่อมาคือ้านี่แล้วแล้เอาปอกปอบันนักด้วยเนี่ยหมาอายุสิหมา เราเอาไปเจมัน sociedad, ม่เงียบเขาไม่เงียบมันเป็นต่อมเอามันเขาไม่เงียขาเีกับเขาไมนเดีนเขาชนมันก็ไ ม, ม่กล้าก็อล้าไปใหม่ชอไปใหม่ท่อไปแต่ทีมนเยอกว่าอบไป